ที่ก่อนมีข่าวนะในประเทศอเมริกาก็มีครอบครัวนหนึ่งแล้วก็กินข้าวก็จะเป็นกินข้าวเย็นพ่อแม่ลูกแล้วก็แฟนของลูกแฟนของลูกชายนะ แล้วก็มีแขกมาสักคนสองคนคุยไปคุยมาก็เถียงกันเรื่องเครื่องซักผ้าก็ไม่ทราบรายละเอียดว่าเ<ม>ถียงกันเรื่องอะไรเรื่องการใช้เครื่องหรือ ย, อยังไงเถียงกันระว่าพ่อ ว่าที่ลูกสะพายเชียงไปถึงมากโกรธพ่อก็เอาปืนมายิงยิงลูกสะพายตายแล้วก็ยิงแขกอีกคนนึงหรือสองคนรวมเป็นสาม ก็คงจะยิงเพิ่มหรือไงไม่รู้ลูกชายก็ไปแย่งปืนมาจากพ่อแล้วก็ใช้ปืนนี่ยิงพ่อตายก็เป็้ ว, ว่าตายไสีส่ศพด้วยสาเหตุนะก็คือทะเลาะ ก, กันเรื่องเครื่องซักผาอันนี้ก็เป็นข่าวนะที่ ข่าวใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจลูกฆ่าพ่อไม่รู้ว่าฆ่าเพราะต้องการยึดยังนะความบ้ารหมของพ่อหรือว่าเพราะโกรธที่พ่อ ไ, ไปยิงแฟนเขาตายหรือว่าแย่งปืนกันแล้วมันเกิด ปืนลั่นนะโดนพ่อตายแต่การที่พ่อไปยิงคนอื่นตายสามคนเนพะียงเพราะเรื่องเครื่องซักผ้ามันก็ก็น่าเศร้าเต็มทีลนะอันนี้ก็ต้องเรียกว่าเพราะความโกรธนะความโกรธมันก็ทำให้ลืมตัว ไม่มีอะไรที่ทําให้คนเราลืมตัวได้มากเท่ากับความโกรธความเกลียดรวมทั้งความโลภนะให้ลืมตัวนี้ก็เรียกเป็นโมหะนะมันลืมตัวแล้วมันก็เลยเกิดโลภะโทสะหรือไม่โลภะโทสะก็ทําให้ความลืมเกิดความลืมตัวแล้วก็ เกิดการเบียดเบียนทำร้ายตามกันทำร้ายตนบ้างทำร้ายผู้อื่นบ้างถ้าดูให้ลึกเนี่ยนะทำไมถึงโกโรธนะมันก็เพราะว่าความอยากจะเอาชนะอยากจะชนะเรื่องเครื่องศัพท์ไอ้ที่เฉียงกันนะเฉียงกัน จนกระทั่งกายเป็นทรลาะวิวาทเพราะความอยากจะเอาชนะมันไม่เป็นต้องเป็นเครื่องซักผ้าก็ได้จะเป็นช้อนสักหนึ่งคันนะหรือแม้แต่จะเป็นเหรียญนะแค่เหรียญบาทนะถ้าหากว่าไปยึดมั่นถือมั่นกับมัน แล้วก็อยากจะเอาชน ะ, นะไอ้ความอยากชนะมันก็เป็นเรื่องของตัวตนนั่นแหละนะกูต้องชนะนะกูจะแพ้ไม่ได้แล้วถ้าอันมตรงนี้แล้วเนี่ยแม้แต่ไปเรื่องเล็กน้อยมันก็ทําให้ฆ่ากันได้นะแล้วก็มีเรื่องแบบนี้เยอะแล้วนะ บางทีก็ข่ากันตายเพราะว่าทะเลาะกันเรื่องดูทรรศนะค น, น 3, คนหนึ่งอยากดูช่องสามคนหะนึ่งอยากดูช่องเจ็ดมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะแต่ว่าพอมีความรู้สึกว่าแพ้ไม่ได้ต้องชนะ กูต้องให้ได้กูต้องดูช่องสามให้ได้แลก็ น, น้องกูต้องดูช่องเจ็ดให้ได้แต่พอถกเถียงกันมันก็คงจะไปใช้ถ้อยคําที่กระทบกระแทกตัวตนเช่นด่าว่าจากเรื่องดูโทรทัศน์มันก็เป็นการขุดคุ้ยเรื่องแรงต่างขึ้นมาด่าว่ากัน มันก็ยิ่งทำให้เกิดความโกรธความเกลียดอย่างกรณีเครื่องซักผ้าเนี่เหมือนกันทีแรกก็เทียงเงินว่าเทียงเงินเพื่อเอาชนะให้ได้ตามความคิดของตัวความยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตัวหรือยึดมั่นถือมั่นในความอยาก่ยต้องให้ได้อย่างนั้นอย่างนั้นมันก็นาไปสู่การ ทะเะวิวาสแล้วก็ตามมาโดยการด่าทอมีการคุยคุยเรื่องต่างๆขึ้นมาเอาเรื่องนิสใส่ส่วนตัวเข้ามาผสมผสมเป็นปนเปนยิ่งโกรธก็ไปใหญ่มันก็มันก็โหมมันก็ปล่อยโหมไฟให้กับพรือัอก็เลย เกิดเรื่องที่น่าสลดใจให้ความรุงตัวเนี่ยคือไม่มีสตินั่นแหละอย่างที่พูดเมื่อสองสามวันก่อนนะ ว, วันเนี่ยที่อาจารย์สิงห์คันเตียขมวดท่านบอกว่าเนี่สติคือหัวใจพุทธศาสนาคือเป็นหัวใจนะของคำสอนพุทธเจ้า เพราะว่าถ้า ม, มีสติแล้วนี่มันก็ทำอะไรไม่ได้เลยไม่ว่าการใช้ชีวิตการทำงานไม่ต้องพูดถึงเรื่องการภาวนายิ่งจะทำเรื่องที่ละเอียดอ่อนเช่นภาวนายิ่งต้องใช้สตินะที่ละเอียดมากขึ้นแต่เพียงแค่การดำเนินชีด ต, ตามปกติ เพียงแค่การสัมพันธ์กับผู้คนถ้ามีสติมันก็ไปได้ไม่ตลอดหรือว่าก็จะเกิดเหตุร้ายขึ้นขับรถรถก็ชนรถคว่ำเดินลงบันไดก็ตกลงมาหัวแตกหรือว่าคอหัก สัมพันธ์กับผู้คนก็ทะเลาะวิวาดกันเพราะความไม่มีสติลืมตัวถูกความโกรธความเกลียดมันครอบงำบดบังนะไม่รู้อะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดแต่ถ้าเราสาเรื่องความโกรธมันมไห น, นก็ความรู้สึกนะถูก อัตาตัวตนถูกกระทบนะหรือความที่ไม่สมหวังไม่สมหวังในความอยากไม่สมหวังนะในที่ได้เป็นผู้ชนะนะเวลาเถียงกันเรื่องอะไรก็ตามเรื่องบอลเรื่องมวยนะเรื่องนักการเมืองพอเถียงกันแล้วมันก็ไม่ยอมแพ้กันแล้ว ไม่ยอมแพ้ก็เอาชนะให้ได้บางทีชนะด้วยเหตุเพื่อผลไม่ได้ก็ต้องชนะด้วยวิธีอื่น <c oughs> เคยมีะที่สองสามปีก่อนนะที่แถวภาคใต้นะักอนนะ <c oughs> เพื่อนทะเลาะกันนะที่แรกคงจะถกเถียงเรื่องการเมืองนะเสร็จแล้วก็เกิดทะเลาะกันมาเรื่องทักษิณ น, นะ เรื่องทักษิณจริงตอนทักษิณก็ไม่ได้เป็นนายกแล้วไม่รู้อยู่ไหนนะอยู่หาอยู่ไกลยยต่างประเทศนะก็ยังเฉียงกันเรื่องทักษิณนะบางเออกินเหล้าด้วยนะกินเหล้าก็ยังเฉียงไปยังไปก็โกรธทะเลาะวิ่งว่กักออกนนะก็ด่ากันไปด่ากันมา ที่จริงมันาจบแค่นั้นนะพอเลิกลาไปแล้วปรกว่ามันไม่จบนะฝ่ายหนึ่งก็ก็คงจะไปนอนอะไรสักอย่างอีกฝ่ายหนึ่งก็นะกวดแค้นอาจจะพ้ายแพ้กับการถกเถียงหรือรู้สึกถูกด่าถูกว่าก็ไปเอา พรอนมานะมาฝฟาดหัวทุกหัวเพื่อนตายนะอันนี้เรืองฆ่ากันตายเพราะความเห็นไม่ตรงกันมันก็น่าเศร้านะที่ว่าฆ่ากันตายเพื่อนฆ่ากันตายเพราะเหตุ น, นี้นันแนะแค่ความเห็นไม่ตรงกันแต่จริงๆนั่นเป็นจุดเริ่มต้นนะ ความมันไม่ตรงกันมันไม่ทำให้คักรันตายหรอกนะแต่ว่าพอมีความยึดมั่นถือมั่นในความเห็นแล้วก็ต้องการเป็นผู้ชนะและพอมันชนะไม่ได้หรือเป็นผู้แพ้ก็เกิดความโกรธในตรงนี้มันก็มีความมันเป็นความยึดมั่นในตัวตนแบบหนึ่งนะความยึดมั่นในตัวตนมันไม่ใช่แค่ความยึดมั่นในความพิของกูว่า ถูกต้องถูกแพ้ไม่ได้มันมีความมันยังมีตัวมารนะ์นะมันไม่ใช่แค่ตัวทิฐิคือความที่ความเชื่อว่าจะต้องถูกมันมีตัวม า, น, านะ์นะกูกูเก่งกูแน่ไอ้มานะที่มันปรารถนาที่จะเป็นผู้ชนะพอแพ้ในการถกเถียงแล้วแทนมันถูก กระทบถูกกระแทกเพราะคําด่าแล้วก็โกรธนมานะนี่มันเป็นตัวทําให้โกรธได้ได้ง่ายมากมีมานะเมื่อไหร่ก็ความโกรธก็ยังก็ยังต้องมีนะี้พระอรหันต์เนี่ยท่านละมานะได้ยท่านถึงจะไม่มีความโกรธอย่างแท้จริงนะอนาคามมีนะแม้ไม่มี แม้ว่าไม่หมดแล้วนะเรื่องการมาราคาแล้วนะแต่ว่าตัวความโกรธก็ยังพอมีอยู่อย่างเลน้อยแม้ว่าไอตัวไอความคิดเรื่องสกเรทิธีมันหมดไปแล้วความเห็นว่ามีตัวมีตนมันหมดไปแล้วความเห็นมันหายไปแต่มันยังมีความความรู้สึกนะ หรือยมีความหวงแหนในในตัวตนอยู่ความเห็นมันว่าตัวตนไม่มีอันนี้มีแล้วความมีความเห็นแล้วว่าตัวตนนี่มันเป็นของเป็นมายาภาพนะแต่มันย็มีความหวงแหนจึงเกิดมานะขึ้นแต่มาน่นาในอนาคามินี่ัไม่ทําให้ เกิดปัญหาอะไรมากนะก็แค่มีความขุ่นปุ่นขึ้นมาข้างในน้อ ย, อยแต่ว่ามาน้าคนส่วนใหญ่มันใหญ่มากนะมันหนามากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีอะไรมากระทบเข้าก็โกรธนะแล้วพอปล่อยให้มาน้าคลองใจแล้วความโกรธ ขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ค่อยรู้เท่าทันนะแล้วก็ถึงตอนนั้นก็ทำอะไรก็ได้แต่คนเราไม่ค่อยตระหนักนะว่าเรื่องอความโกรธความเกลียดนี่มันน่ากลัวนะเมันสิ่งที่อันตรายมากโดยถ้าพูดรวมๆนะคื อ, อความลืมตัวนี่นะความลืมตัวนี่มันน่ากลัวที่สุดเพราะคนเราไม่ได้ลืมตัวเพราะความโกรธอย่างเดียวนะ ไม่ลืมตัวเพาความเปลี่ยนเดียวบางทีลืมตัวความกลัวลืมตัวเพราะความความโลภอาชีไปข่มขืนกระทําช้ำเราจนเราไปฆ่าเขาตายมันก็เพราะความเพราะคามมาร่ามมันมีความหืนกระหายมันก็ไปทําต่สิ่งที่ไม่สมควรก็ไปทํำมินิมิลายนะ คนอื่นเพื่อที่จะตอบสนองความตอบสนองราคานี่ก็เรียกว่าลืมตัวเหมือนกันหรือลืมตัวเพราะอบายมุกนะลืมตัวเพราะเล่าบุหรี่ยาเสพติดลืมตัวเพราะการทนัน ในการพนันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่ความโลภที่อยากจะได้เงินได้ทองเดือนนะมันอยากจะชนะด้วยอยากจะชนะบางอย่างมันก็ไม่มีเงินทองเป็นผลตอบแทนนะแต่ความอยากจะชนะเ น, นี่ยมันมันก็ทําให้คนนี่รุ่มหลงนะอย่างในเกมนะเกมออนไลน์นะเกมที่มันติดมากับโทรศัพท์มือถือนะ มางนก็เล่นกันเป็นร็เป็นเวรหรือว่าเกมปริศนาอักษรไขว้มันก็ไม่มีผลตอบแทนเป็นเงินทองนะแต่ว่ามันก็ทำให้คนเนี่ยติดงอมแงมนะเพราะว่าพอได้เล่นแล้วมันอยากจเจาชนะนอยากเจะเาชนะต้องทำให้ได้หมดเวลาเป็นชั่วโมงหมดเวลาเป็นวันเพื่อที่จะได้ชนะ เกมอักษรไค่เกมอะไรซูดกุเนี่ยนะสมัยหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่กี่ปีเนี่ยโ้มันฮิตมากเลยตัว น, นี้ก็ยังหิตอยู่นะแค่เติมเลขหนึ่งถึงเก้าลงไปนะเพื่อให้ทุกทุกบรรทัดทุกช่องนะทุกบรรทัดนี่มันมีหนึ่งถึงเก้าไม่ว่าจะแนวแนวแนวดิ่งแนวตั้งแนวนอน คนก็เล่นกันเพลินเลยเคยเล่นทีห น, นะนึ่งนะนั่งรถจากจากแก้งครอรนี่ไปกรุงเทพเพลแป๊บเดียวนะมาถึงปากช่องแล้วมันผ่านเลือมากเพราะเล่นแค่เนี่ยตะดาษแค่นี้แหละเติมเลขหนึ่งถึงเ้าลงไปในช่องว่างนับภาษาเกมออนไลน์นะโอ้ยิ่ง มันเป็นเรื่องมีตัวละครมันมีตัวตัวอะไรต่ออะไรมากมายมีคะแนนให้ด้วยให้ความอยากเอาชนะเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เพราะมันมีมารณ์นะัเอาชนะเอาชนะตัวละครเอาชนะตัวนะผู้ร้ายในเกมนะแพ้ไม่ได้นะั้น แค่นี้ต้องกลับไปคิดคิดเอาชนะบางคนอยากจะเอาชนะถึงขั้นว่าไปหาทางลัดไปถามเพื่อนว่าจะเอาชนะเกมนี้ได้ยังไงบางทีบางเกมนี่มันมีตัวช่วยนะตัวช่วยนี่ก็ได้คะแนนถึงนี้มีตัวช่วยมีอุปกรณ์แต่บางทีคะแนนไม่ถึงก็ต้องหาทางไปซื้อเอาไปซื้อเอานะเสียเงินไปซื้อคะแนนมาเพื่อได้เอา มีตัวช่วยนี่ไปทำให้ชนะหมดเงินงิดไปเป็นร้อยเป็นพันนะเด็กนี่ก็เสร็จเสียเงินเยอะแยะไม่ได้อะไรเพียงแค่รู้สึกว่าสนองความสนองมนนะสนองความส ก, กูกูเก่งนะกูผู้ชนะทั้งที่ชนะนี่ไม่ได ช, ชนะด้ฝีมือเลยนะชนะเพราะไปไปซื้อตัวช่วยมา หรือไม่ก็ไปหาไปไปไปหาเทคนิคนะจากเพื่อนให้เขาบอกมีเคล็ดลับที่จีมือก็ไม่ใช่เป็นสีที่น่าภูมิใจนะเพราะว่าไม่ได้ชนะด้วยสีมือนะแต่แค่ชั้นน้ำก็สนองกินเลสสนองมา้าได้แล้วแต่ถ้าไม่ชนะสิงนมันก็ทุก แล้วยิ่งถ้าเป็นความรู้สึกว่าถูกด่าถูกเหยียดหยามถูกดูหมิ่นมันก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ว่าจะเป็นเพือเพ่อนไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์นมันก็มันก็สามารถจะทุกข์ได้เพราะเหตุนี้ทั้งนั้นน บางทีก็อยากเป็นคนสำคัญนะมาหน้าเนี่นยเป็นคนสำคัญอยากให้อาจารย์นี่ทักทายอยากเป็นคนสำคัญของครูบาอาจารย์อยากให้อยู่ในสายตาของเขาแต่พอไม่สมหวังก็โกรธนะแล้ว ก, ก็กลายเป็นเกลียดอย่างในสมัยสมัยพุทธกาลนี่มีคลาดขงภาษาลิบุตร จะจะออกไปจะจาริกไปที่อื่นนะก็มีการาล่ำลากันลูกศิษย์พระสายบุตรแล้วก็พระเล็กพระผู้น้อยก็มามายืนเป็นเถานะ่คล้ายยืนส่งกันนะเพราะพระสายฤกษท่านก็เป็นอัครส า, าวก เป็นคนสำคัญว่าสารบุตก็กราบทูลาผู้เจ้าแล้วก็ขณะที่เดินออกไปจากเชตวันก็มีคนมาส่งท่านก็ทักทายทักทายแต่ว่าคนเยอะมากก็เลยทักทายไม่ทั่วถึงมีภาพรูปหนึ่งนี่พระสรยบุตรไม่ได้ทักทายไม่ได้ไต่ถามมือนก็ว่าเดินผ่านไป ก็โกรธนะจากจากที่เคยศรัทธาเนี่ยนะนะความศรัทธาเนี่ยเพราะศรัทธาจึงอยากจะให้พระไตรบุตรท่านาทักทายแต่พอไม่ท่านมองไม่เห็นท่านเดินผ่านไปก็เกิดเป็นความโกรธมาแทนแล้วก็หาทาง ตอบโต้ด้วยการใส่ร้ายพระไสยบุตวา่าจีวรจีวรคือจีวรของพระไสยบุรนิ่คงไปไปถูกนะไปถูกตัวนิดหน่อ ย, อยนั่นแหละพระพารุณท่านก็หาพระไสยพระ ส, ย, ระสยบุรนี่ทำร้ายนะก็เกิดมีการโจดฟ้องกันนะกลายเป็นองธิกรณ พระเสด็จบทชทางก็แก่อธิบายว่าเนี่ยความคิดของท่านในการที่จ ะ, ะทำร้ายใครไม่มีเพราะท่านก็เป็นคนที่สมอต้นเสม อ, สมอปลายนะจิตใจเปลี่ยนเหมือนกับดินนะเปลี่ยนเหมือนกับน้ําเปลี่ยนเหมือนกับลมเปลี่ยนเหมือนกับไฟไม่ว่าอดินเนี่ยไม่ว่ามีใครได้ทับถมมันยังไงมันก็ยังเป็นดิน น้ำนี่ไม่เคยไม่ว่าจะมีใครโยนขยะอะไรลงไปน้ำก็ยังเป็นน้ำนะลมก็เหมือนกันนะไฟก็เหมือนกันไม่ว่าใครจะโยนอะไรเข้าไปก็เป็นก็ยังลุกเสมอกันแบเผาไหมเสมอกันลมผ่านที่ไหนที่หอมที่สกรปรกก็ยังทําหน้าที่อย่างตัวไปเพพูดง่ายๆคือท่านมีอุเบกขาสุดท้ายก็เป็นนะว่า ท่านกพ็พ้นผิดนะแต่กรณีนี้ก็เห็นแล้ว น, นะว่าเออลูกศิษย์เนี่ยซึ่งนะซึ่งซึ่งศรัทธาศรัทธามากอยากจะให้พระใส่ระบุทักทายนะพอท่าได้ทักทายแล้วก็จะรู้สึกปลื้มนะแต่เป็นศรัทธาที่เอาตัวเป็นศรัทธาที่เจอไปด้วยตัวกูของกูนะมันไม่ใช่เป็นศรัทธาที่ยอม ต่อผู้ที่ตัวเองนับถือศรัทธาถ้าเป็นศรัทธาที่แท้นี่มันก็คือเป็นการยอมให้กับผู้อื่นจะว่าจะจะว่าจะขนาดยังไงก็ยอมอันนี้เรียกว่าศรัทธาที่เอาที่ยอมให้กับผู้อื่นแต่ศรัทธาพระรนี้เป็นศรัทธาที่มันเจอไปด้วยมานะก็คือว่า อยากจะให้เขาให้ความสำคัญกับเราพอเขาเหมือนกับว่าไม่สนใจเราก็โกรธอันนี้ก็เฉลี่ยวความรักนะความรักก็มีทั้งสองแบบรักชนิดเพื่อที่จะมาสนองรักประเภทว่าให้อย่างเดียวมุ่งปรารถนาดีต่อเขาอย่างเดียวหรือรักหรือรักแบบ ที่จะเอาเข้าเป็นของเรามาตอบสนองความต้องการของเราแต่ที่มีมานะเนี่ยนะแม้จะศรัทธานะใครก็ตามศรัทธาครูบาอาจารยนะ์มันก็สามารถจะกลายเป็นโทษได้เมื่อไม่ได้รับความสนใจหรือว่าไม่ได้รับการสนองตอบมานะ มานะไม่ได้ประการสนองต่อบก็กลายเป็นทําสิ่งที่น่าเกลียดได้ไอ้พวกเรานี่ก็ต้องนะเราต้องระวังระวังไอ้ตัวมานะเนี่ยใอ้ความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูที่จริงไม่ใช่ะมานะอย่างเดียวนะตัวอีกสองตัวที่เหลือเนี่ยคือทิฏฐิแล้วก็ตันหานี่ตันหามานะทิฏฐินี่ มันคือที่มาของความทุกข์ที่มาของปัญหาในโลกสงครามทั้งหลายการก่อการร้ายการเบียดเบียนก็มาจากสามตัวนี้แหละตัณหามานาทิฏฐิตัณหาคือความอยากได้หรือความยึดมันน่นในวัตถุสิ่งของหรืออาจจะเป็นนามธรรมาก็ได้เช่นเกลติดยตชื่อเสียงตัณหาทิฏฐิคือความยึดมั่นในความคิดความเห็น ความเชื่อมาหนัความถือตัวความสุกูณแน่กูแ น, นก่กูเก่งกูเก่งพอกูแน่กูเก่งเนี่ยมันก็ทําให้ไปปรุงไปเสริมตัวทิฐินะความเกี่ ย, ยงกูก็ต้องถูกนะเพราะว่ากูจบปริญญากูได้ประโยคเก้ากูได้ด็อกเตอร์หรือว่าวกูเป็นเจ้า อ, อาวาสกูเป็น เ อ, อพ่อเป็นแม่เนี่ยนนี่มานะงนั้นแหละเมื่อพอมีตัวนี้นะมันก็ตามไปว่าเขากูแน่กูดีกูเก่งกูถูกมันก็ไปเสริมตัวทิฐินะคิดอะไรเชื่ออะไรก็จะยึดมาวันเนี่ยความคิดของกูนี่ถูกนะพ่อแม่นี่เวลาเวลาสอนลูกลูกไม่ฟังก็โกรธนะ อันนี้คือตัวมานะรู้สึกตัวตนถูกกระทบหรือว่าเวลามีความเห็นต่างกันนะพ่อแม่นี่หรือครูบาอาจารย์มีทิฏฐิมีมานะก็ทำให้เกิดทิฐิว่าความคิดฉันถูกพ่อฉันเป็นพ่อฉันเป็นแม่ฉันเป็นคนฉันมีอายุมากกว่าฉันเรียนสูงกว่ามันก็จะไปยึดมันความคิดงฉันถูกความยิดของของเธอไม่ดีไม่ถูก นะและตัห า, าไปตัวเป็นตัวเสรมิมมานะนะพอพอมีความถือตัวกูเก่งกูดีกูแน่ก็อยากให้คนยกย่องสรรเสริญไอตัวความอยากจะให้คนยบย่องสรรเสริญต้องการการยอมแลัวก็นำไปสู่ตัณหาอยากได้รางวัลอยากได้คําคชื่นชมอยากมีตําแหน่งสู ง, สง ถ้ากูเก่งกูแน่แต่ว่าไม่ได้เป็นผู้จัด ก, การนี่มันก็รู้สึกเสียเสียเซลฟ์นะต้องได้เป็นผู้จัด ก, การต้องได้เป็นปลักกระทรวงมันก็ต้องดิ้นรนนะแย่งชิงตําแหน่งกันก็นี่คือตันหาอยากได้ตําแหน่งอยากได้คําสรรเสริญชื่นชมขึ้นเฟซบุ๊กก็อยากให้คนกดไลค์ น, นี่ก็ตันหาทำไมอยากเพราะมันจะได้ไปเสริมมันนะเพรากูเก่งกูดีไม่ว่าภาพที่โพสต์นี่เป็นไม่ว่าสิ่งที่โพสจะเป็นภาพหน้าตัวเองเป็นอาหารหรือเป็นข้อความก็อยากให้คนชมว่าเพื่อได้รู้ว่าเออเราสวยหน้าเราภาพเราสวยเรามีรสนิยมดีเรากินอาหารดีหรือเราเขียนเข้าทาง ให้มานาทั้งนั้นมันแทรกซึมไปกับการกระทําของเรานะแทรกไปทุกเรื่องถ้าไม่ท่าทนันมันก็เข้ามาครอบงำและนำไปสู่การสู่ความทุกข์สู่การทลอะวิวาทการเอาเปรียบเบียดเบียนและการทําลายกันอาชานีพเท่านี้กลับครับนะ